เสียงด่าหมาแมวดังลั่นวัดแต่เช้าหลังจากวันที่นางบุญรับเข้ามาช่วยทำครัวบรรดาอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนพระสงฆ์องค์เนนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดป่ามะม่วงมีอันต้องกาหนดได้ยินหนอได้ยินหนอกันวันละหลายครั้งเพราะนางบุญรับแกสามารถด่าได้หลายเวลาต่อวัน พระบูฮิเยวกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็มีอันต้องกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอแทนการกำหนดผ่องยุคกำหนดอยู่นานก็ไม่อาจระงับความหงสานรำคาญใจลงได้ไม่ชอบหน้าแม่ครูวผู้นั้นเป็นทุนอยู่แล้วครั้นมาได้ยินเสียงเกลี้ยกราดแสบแก้วหูเช่นนี้เข้าอีกความไม่ชอบซึ่งเป็นโทสะอ่อนๆนั้นก็เพิ่มระดับขึ้น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 จนเสียงด่าดตามมาไม่ถึงหากก็ยังรู้สึกว่ามันกล้องอยู่ในโสดปร า, าสาทตลอดเวลาจิตของท่านจึงถูกพยาบาทนิวร์เข้ากลุ้มรุมโดยที่เจ้าตัวมิทันได้ระแวดระวังคิดเคียดแค้นทิ่งช่างนางบุญรับไปตลอดทางจนลืมกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายยามเยิงย่าง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 บรรดาสุนัขสิบกว่าตัวที่ยืนหน้าสลอนอยู่ท้ายรถลงมาจนหมดปิดท้ายรถเรียบร้อยแล้วจึงกระโดดลงมาก้าวเข้าไปนั่งประจำที่คนขับแล้วออกรถท่านพระครูรีโบกมือเรียกช้าก่อนพ่อนหนุ่มเดียวหยุดคุยกันก่อนพ่อนหนุ่มเบรกรถดังพืชพโผล่หน้าคมคายออกมาถามว่ามีอะไรหรือครับเขาไม่ทาความเคารพ ซึ่งท่านพระครูก็ข้อใจและรู้ว่าเป็นธรรมเนียมของคนมุสลิมที่จะไม่เคารพผู้ใดหรือสิ่งใดนอกจากพระเจ้าสูงสุดคือพระอัลเลาะห์เท่านั้นมาจากไหนล่ะเธอหนะทำไมถึงได้ขนหมามาปล่อยที่วัดนี้ท่านถามยิ้มยิ้มผมมาจากชวัยมะใช้ให้ออมหมามาปล่อยเพราะมันกัดแพะเจ้าหมาพวกนี้ เราไม่ได้เลี้ยงมันมากันเองมะเลยให้เอามาปล่อยผมเป็นมุสลิมคนมุสลิมเขาไม่เลี้ยงหมาครับเด็กหนุ่มอธิบายมะเป็นคําที่มุสลิมใช้เรียกมารดาของตนอ๋อแล้วทําไมมาไกลถึงที่นี่จากชวไยมานี่ก็ผ่านวัดมาเป็นร้อยต้องมาถึงที่นี่ให้เปลืองน้ํามันทำไมเล่า มะกำชับมาครับบอกว่าให้เอามาปล่อยที่วัดป่ามะม่วงมันจะได้ไม่ถูกคนรังแกมะว่าเจ้าของวัดนี้เข้าใจดีมันจะมีความสุขกว่าอยู่ที่อื่นถึงมะจะเกลียดพวกมันแต่ก็ไม่อยากเห็นมันถูกรังแกครับอ๋อย่างงั้นรหรืองั้นกลับไปบอกมะเธอด้วยว่าหลวงพ่อวัดนี้สั่งให้เอามาปล่อยอีกหลายๆคันรถ รองว่าอยู่วัดนี้แล้วปลอดภัยท่านตั้งใจประชดแต่ชายหนุ่มไม่รู้จึงตอบไปว่าครับแล้วผมจะบอกมะตามนี้พูดจบก็ออกรถอย่างเร็วโดยมิร่ำลาท่านพระครูมองตามรถพลางสายหน้าช้ า, ชาวัดนี้ไม่รู้เป็นอะไรแมวมาหาหมามาสู่มิได้ขาดเมื่อวันก่อน ก็มีคนเอาแมวใส่กระสอบซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มาปล่อยจนวัดแทบจะกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์สาราสิงไปแล้วนายสมชายซึ่งหิ้วปิ่นโตเดินมาทันท่านที่ลานวัดพูดขึ้นว่าเขาเอาหมามาปล่อยอีกแล้วหรือครับหลวงพ่อทำไมถึงต้องมาปล่อยที่วัดนี้ก็ไม่รู้วัดอื่นมีถมเถไปไม่ปล่อยเด็กหนุ่มตำหนิ ก, กลาย เขาว่ามันจะได้ไม่ถูกรังแกท่านพระครูอ้างเขาว่าไม่ถูกยังไงได้ยายบุญรับตีมันทุกวันผมนี้นวกหูจะแย่อยู่แล้วเมื่อไรายายนี่จะไปไปเสียทีก็ไม่รู้เขาบน่นถึงกุฏิท่านพระครูวางบาทลงแล้วจึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าจนสะอาดหมดจดเช็ดให้แห้งก่อนลงมือฉันอาหารที่ลูกศิษย์วัด จัดสำรับไว้รอท่าฉันเสร็จจึงเข้าไปล้างปากแปรงฟันซึ่งหมายความว่าสิ้นสุดการบริโภคสำหรับวันนี้จากนั้นจึงมานั่งอย่างอาสนะประจําของท่านรู้ว่าพระบูเหียวจะต้องมาให้สอบอารมณ์หลวงพ่อครับผมแย่แล้วลูกสิทธิรายงานทันทีที่มาถึงและกราบอาจารย์แล้วทั้งที่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์หากท่านพระครูก็ต้องถามไปตามมารยาทว่าแย่ยังไงไหนว่าไปสิผมเกยดยาบุญรับจนปฏิบัติไม่ได้จิตมันตกจนดึงไม่ขึ้นทำยังไงดีล่ะครับล่วงเพาะถามอย่างรู้สึกทุกข์ร้อนนั่นและพยาบาทนิวร์กำลังครอบงำเธอ ทำไมไม่ใช้โยนิสโสมนสิกาลขจัดมันเสียปล่อยให้ระรานอยู่ทำไมคนเป็นสิทธิไม่ตอบดยไม่รู้จะตอบอย่างไรอาจารย์จึงขยายความต่อไปว่าการละพยาบาทนิวรณนต้องใช้โยนิสโสมนสิกาลในเมตตาเจโตวิมุตติดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตติมีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตตินั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้นวิธีปฏิบัติก็เช่นการกำหนดนิมิต ในเมตตาเป็นอารมณ์การประกอบเนือ ง, องซึ่งเมตตาภาวนาการพิจารณาถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นท่านมองหน้าลูกศิษย์รู้ว่าฝ่ายนั้นยังไม่เข้าใจจึงถามขึ้นว่าจะต้องให้แจกแจงในรายละเอียดไหมก็ดีเหมือนกันครับ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 แต่ถ้าเราอยากตายไม่อยากอยู่ละครับพระยวนเริ่มยวนท่านพระครูต้องปรามว่าขอถีขอถีอย่าชักใบให้เรือเสียเธอละก็ชอบออกนอกลูกนอกทางเเรื่อยครับครับไม่ออกก็ได้ครับนิมนต์ลงหอเทศต่ตอผมไม่ขัดแล้วครับเมื่อลูกศิษย์นิมนต์อาจารย์จึงแสดงธรรมต่อไปว่า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 พระนุ่มกระแอมแก้เขินแล้วจึงท่องด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าอาหังสุขีโตโหโมินิทุโคโหโมิอเวโรโหโมิอพยาปัจโชโหโมิอเนโคโหมิสุขีอตนนังปริหรามิขอข้าพเจ้าจงถึงซึ่งความสุขเถิดขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์เถิด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 จึงแผ่ไปในผู้อื่นตั้งแต่บุคคลที่รักมากบุคคลกลางกลางคือไม่รักไม่ชังไปจนถึงบุคคลที่เป็นศัตรูแต่ถ้าแผ่เมตตาให้ศัตรูแล้วเกิดโทสะขึ้นก็ให้ปฏิบัติตามวิธีระงับความโกรธที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ซึ่งมีถึง9ก้าวิธี แต่ถ้าใช้ทั้งเก้าวิธีแล้วยังไม่หายโกรธล่ะครับก็แส ด, แดงว่าคนคนนั้นกิเลสนะตัณหามากจนไม่อาจรับฟังคำสั่งสอนได้ก็ตัดหางปล่อยวัดไปถือว่าเป็นพวกบัวติดโคลนตมที่เรียกว่าปทะปรมะแล้วคนที่ไม่มีหางจะให้ตัดจะทาอย่างไรดีครับอย่างผมนี่ตอนเกิด แม่ไม่ได้เฮ ห, หางมาด้วยพระยวนอดยวนไม่ได้บัวเหี่ยวรู้สึกว่าเธอจะถนัดทะเลถลไยเสีจริงเชียวนะฉันจะว่าเธอยังไงถึงจะเจ็บแสบจะได้จดได้จำเสีทีท่านพระครูว่าให้ถ้าจะว่าใครให้เจ็บให้แสบก็ต้องว่าเดี๋ยวอมิดโกนปาดแล้วราดโดยทิงเจอรับรองทั้งเจ็บทั้งแสบเชียวละครับ พระบู h ียวเสนอแนะความสุขของท่านคือการได้ยั่วพระอุปชาอยากเห็นท่านโกรธเพราะท่านไม่เคยโกรธให้เห็นเขาว่ากันว่าคนที่เป็นพระอรหันต์จะไม่โกรธหรือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถ้าเงน้นฉันก็จะขึ้นไปเขียนหนังสือล้วนะจะไม่บอกเธอหรอกว่าวิธีระงับความโกรธที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว มีอะไรบ้างจะปล่อยให้เธอเกลียดยายบุญรับให้เธอถูกไฟโทสะแพดเผาให้ไม่เกรียมกรอบเป็นปลายย่างไปเลยท่านต่อว่าต่อขานยืดยาวแต่คนเป็นสิทธ์ก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้โกรธเพราะหน้าท่านไม่บึง้งเสียงที่พูดก็ไม่เกลี้ยกราดอย่างเสียงยายบุญรับแม้ลุงพอก่อ ผมพูดเล่นๆก็ทำใจน้อยไปได้นิมนสาธยายต่อเธอครับผมไม่อยู่แล้วแน่นะเอาละงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีการปฏิบัติเพื่อระ ง, งับความโกรธวิธีแรกคือให้ระลึกถึงโทษของความโกรธว่าความโกรธนั้นให้โทษด้วยประการต่างๆหาคุณไม่ได้เลย ถ้าคนเข้ามาโกรธเราแล้วเราโกรธตอบเราก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเลวซะยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีกผู้ไม่โกรธตอบคนที่โกรธตนก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะยากฉะนั้นถ้าเธอโกรธตอบยายบุญรับก็แปลว่าเธอเลวกว่ายายบุญรับเสอีก ถ้าลองวิธีนี้แล้วยังไม่ได้ผลก็ให้ใช้วิธีที่สองคือให้ระลึกถึงความดีของเขาธรรมดาคนเรานั้นว่าโดยทั่วไปแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีอยู่ในตัวเราก็คิดถึงแต่ในส่วนดีของเขาส่วนที่ไม่ดีอย่าไปคิด ถ้าหาส่วนดีของเขาไม่ได้จริงๆก็ให้นึกสงสารเขาคิดเสียว่าโหกน่าสงสารต่อไปคนคนนี้จะต้องประสบผลร้ายต่างๆเพราะความประพฤติไม่ดีอย่างนี้นรกอาจรอเขาอยู่เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็จะระงับความโกรธเสร็จได้แต่ถ้ายังไม่ได้ ก็ให้ลองวิธีที่สามคือให้คิดถึงความจริงที่ว่าการโกรธคือการทำให้ตัวเองทุกข์คนที่โกรธแล้วเป็นสุขนั้นไม่มีในโลกเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราก็ต้องไม่โกรธเพราะเรื่องอะไรจะไปทำให้ตัวเองทุกข์จริงไหมจริงครับแล้วถ้ายังไม่หายโกรธ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 เป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยเราทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นและกรรมที่เกิดขึ้นจากความโกรธนั้นจะทําให้บรรลุความหลุดพ้นก็หาไม่จะช่วยให้ได้ทิพยสมบัติหรือมนุษย์ สมบัติก็หาไม่มีแต่จะทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปจนถึงกับตกนรกหมกไหมเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรให้ความโกรธเกิดขึ้นในตัวเราแต่ถ้ายังไม่หายโกรธอีกก็ให้ลองวิธีที่ห้าคือให้พิจารณาพระจริยวัตร ในปางก่อนของพระาศาสดาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าจะตรัสรู้ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายมาตลอดเวลายาวนานได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยยอมเสียสละแม้แต่พระชนม์ชีพของพระองค์เองเมื่อทรงถูกข่มเหงกลั่นแกล้ง เบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ทรงแค้นเคืองทรงเอาดีเข้าตอบถึงเขาจะตั้งตัวเป็นศัตรูขนาดพยายามปลงพระชนก็ไม่ทรงมีจิตประทุษร้ายซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีปรากฏในชาดกเช่นเรื่องมหาศิลวะชาดก มหากัปปิชาดกเป็นต้นเธอสามารถไปอ่านเองได้หัดอ่านซิบบ้างจะได้หูตากว้างขึ้นไม่ใช่ดีแต่ปากกว้างเอาแต่กินอย่างเดียวท่านแกล้งเหน็บแนมด้วยรู้ว่าคนเป็นสิทธิ์ติดในรถครับแล้วผมจะไปหาอ่านต่อวิธีที่หกเธอครับพระโบเฮียวไม่ต่อกรอน เพราะกลัวจะเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีที่หให้พิจารณาถึงความที่เคยเกี่ยวข้องกันในวัฏสงสารดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมันดาไม่เคยเป็นบิดา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 อย่างยายบุญรับก็อาจจะเคยเป็นแม่หรือพี่สาวหรือน้องสาวเธอในอดีตชาติชาตินี้ถึงได้มาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ควรใจร้ายต่อเขาแต่ถ้าเขาใจร้ายต่อผมล่ะครับอันนั้นมันก็เรื่องของเขาถ้าตัวเราไม่ผูกเวร เวนมันก็ระงับลงได้ในส่วนของเราถ้าเขาโกรธเขาก่อทุกข์ส่วนเราไม่โกรธเราก็ไม่ทุกข์ที่เรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหมครับเออันนี้ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะไม่เคยตบตั้งแต่บวชมานี่ยังไม่เคยตบมือไม่ว่าจะข้างเดียว หรือสองข้างก็ไม่เคยท่านพระครูนึกสนุกจึงพูดยวนกับคนยวนดีแล้วครับลุงพอทําถูกแล้วเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นตบมือตบไม้ประเดี๋ยวศีลก็เปื่อยหมดเท่านั้นคนยวนยวนตอบเอาละเอาละ่ะพอแล้วพูดเลอะเลือนลามปามไปมันจะไม่ดี ทีนี้ก็มาว่ากันถึงวิธีที่เจ็ดคือพิจารณาอานิสงค์ของเมตตาความโกรธมีโทษก่อผลร้ายมากมายฉันใดเมตตาก็มีคุณก่อให้เกิดผลดีมากฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรจะระงับความโกรธเสียแล้วตั้งจิตเมตตาขึ้นมาแทน ให้เมตตานั่นและช่วยกำจัดและป้องกันความโกรธไปในตัวผู้มีเมตตาย่อมสามารถเอาชนะใจคนอื่นซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับแพ้ผู้ตั้งอยู่ในเมตตาชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพระพุทธองค์ ส่งแส ด, แดงอานิสง์ของเมตตาไว้11อประการคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดารักษาไฟพิษหรือสัตราไม่กล่ำกรายจิตเป็นสมาธิเร็ว ผิวหน้าผ่องใสไม่หลงตายและประการสุดท้ายคือเมื่อยังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูงก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นอย่างต่ำแล้วถ่ายังไม่ให้โกรธล่ะครับก็ให้ลองวิธีที่8คือพิจารณาโดยวิธีแยกธาตุวิธีนี้เป็นการพิจารณาระดับปรมัติ์ เข้าใจยากฉันจะยังไม่อธิบายให้เธอฟังในตอนนี้ให้เธอปฏิบัติได้สูงพอสมควรเสียก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ตอนนี้พูดไปเธอก็ไม่เข้าใจเอาละ่ะฉันจะรวบรัมไปถึงวิธีสุดท้ายเลยคือพิจารณาทำทานสังวิภาคการทำทานสังวิภาค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 ที่ได้ผลชงัดสามารถระงับเวรที่ผูกกันมายาวนานให้สงบลงได้เป็นเมตตาการุณาที่แสดงออกในการกระทาพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงอานุภาพยิ่งใหญ่ของทานคือการให้นั้นว่าการให้เป็นเครื่องฝึกคนที่ยังฝึกไม่ได้การให้ ยังสิ่งประสงค์ทั้งปวงให้สำเร็จได้ผู้ให้ก็เบิกบานขึ้นมาด้วยการให้ฝ่ายผู้รับกอน้อมลงมาพบด้วยปิยะวาจานี่แหละการระ ง, งับความโกรธวิธีสุดท้ายเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าสเสด็จพ่อของพวกเราท่านทรงสอนไว้ละเอียดละออลึกซึ้งยิ่งนัก เธออยากจะฟังเรื่องของพระสาวกรูปหนึ่งที่ไม่เคยผูกโกรธต่อผู้ใดเลยอยากฟังไมล่ล่ะฉันจะได้เล่าท่านถามคนฟังลุงพ่ออยากเล่าหรือเปล่าครับถ้าอยากเล่าผมก็อยากฟังคนฟังมานานเริ่มยัว่วถ้าฉันไม่อยากเล่าละ่ะเธอจะว่ายังไงคนเล่ายั่วตอบ ถึงหลวงพ่อไม่อยากเล่าแต่พ้มก็อยากฟังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเล่าเธอครับนิมนต์พูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนต์คนเล่าจึงเล่าแต่โดยดีเรื่องมีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวันารามพระสาวกชื่อปุณณะได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลขอให้ประทานโอวาทพระสาสดา จึงทรงสรแสดงทมสอนให้ไม่เพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะและธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเมื่อดับความเพลิดเพลินได้ทุกกอดับพระปุญณะกราบทูลว่าท่านจะไปอยู่ชนบทชื่อสุนาปารันตะพระผู้มีพระภาค ตรัสว่าชาวสุนาปรันตะดุร้ายถ้าเขาด่าว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุญณะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าด่าก็ยังดีกว่าทำร้ายด้วยมือรัฐถามว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยมือจะทำอย่างไรกราบทูลว่ายังดีกว่าใช้ก้อนดินทำร้าย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 กราบทูลว่ายังดีกว่าฆ่าด้วยสัตราที่คมตรัสถามว่าถ้าเขาฆ่าด้วยสัตราที่คมจะทําอย่างไรกราบทูลว่าบุคคลบางคนยังต้องหาคนมาฆ่าแต่นี่ดีไม่ต้องหาเขามาฆ่าให้เองพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนา แลตรัสอนุญาตให้พระปุณณะไปอยู่ชนบทชื่อสุนาปรันตะได้พระปุณณะไปอยู่ณที่นั้นได้แสดงธรรมให้พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทกลับใจแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นจํานวนมากภายในพรรษานั้นเองและตัวท่านก็ได้วิชาสาม ภายในพรรษานั่นเองเหมือนกันท่านพระครูเล่าจบคนเป็นสิทธิ์จึงพูดขึ้นว่าผมจะจดจำเรื่องราวของพระสาวกรูปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์จะพยายามทำให้ได้อย่างท่านพูดอย่างมุ่งมั่นดีแล้วฉันขออนุโมทนาแล้วก็เชื่อว่าเธอต้องทำได้เงียบกันไปครู่หนึ่ง พระโบวเหีียวจึงถามว่าลุงพอครับการแผ่เมตตานั้นเราจะแผ่ให้สัตว์ด้วยจะได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้เล่าอย่าว่าแต่สัตว์เลยแม้แต่พืชก็แผ่ให้ได้มีคนเขาทดลองทำมาแล้วได้ผลเกินคาดเทียวละอย่างยายบุญรับนั่นถ้าแกเปลี่ยนจากด่ามาเป็นแผ่เมตตา แกก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับม้ากับแมวอย่างนั้นแกโกรธว่ามันถ่ายเรี่ยราดสกรปรกก็เลยไปดา่าไปตีมันม้าแมวมันก็มีจิตใจไปทําอย่างนั้นมันก็โกรธเลยแกล้งถ่ายเละเทอะใหญ่ถ่ายตัวเดียวไม่พอมันยังเที่ยวไปชวนเพื่อนมันมาถ่ายถ้ายายบุญรับแผ่เมตตาให้มัน มันก็เลิกถ่ายแล้วก็บอกให้เพื่อนมันเลิกอีกด้วยมันเลิกถ่ายมันก็ตายสิครับลุงพอไม่ตายหรอกฉันหมายถึงว่ามันเลิกถ่ายเรี่ยราดแต่จะถ่ายเป็นที่เป็นทางไม่ให้สกรปรกเหมือนที่เป็นอยู่นะ่ะท่านพระครูตอบทั้งที่รู้ว่าพระยวนตั้งใจยวน ถ้าอย่างนั้นลุงพ่อนอาจจะสอนให้แกแผ่เมตตาผมจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงด่าของแกทำไมจะไม่สอนสอนจนไม่รู้จะสอนอยังไงแล้วแต่แกรับไม่ได้อุตสาชื่อบุญรับแต่ไม่ยักกรับสิ่งดีๆฉันจัดแกไว้ในพวกทวนกระแสคนบางคนก็สอนยากนะบัวเหี่ยว คนที่มาวัดนี้ไม่ได้แปลว่าจะสอนง่ายหมดทุกคนมันเป็นไปตามกรรมที่เขาทำมานะครับพระบุเฮียวว่าทั้งทำมาทั้งทำไปนั่นแหละถึงกรรมที่ทำมาจะไม่ดีแต่กรรมที่จะทำต่อไปก็สามารถแก้ไขให้มันดีได้แต่เขาก็ไม่ยอมแก้ไข คนประเภทนี้นับวันจะมีมากขึ้นต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมของเขาใช่ไหมครับ<_ <C> _>ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาละ่ะถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับไปปฏิบัติแล้วฉันเองก็จะขึ้นไปเขียนหนังสือเหมือนกันอย่าลืมแผ่เมตตาให้ยายบุญรับละ่ะท่านเตือนไม่ลืมครับฟังลุงพอพูด ผมก็หายโกรธแกไปต่างครึ่งแล้วผมรับรองว่าจะต้องกำจัดพยาบาทนิวรออกไปจากจิตให้ได้ขอกราบขอบพระคุณลงพอเป็นอย่างสูงที่ได้ชี้ทางสว่างให้ผมไปละครับพระหนุ่มก้มลงกราบพระอุปัชฌาย์สามครั้งแล้วจึงลุกออกไป